ขอความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแล้วรลวงปโปทยานในวันนี้จะพูดเรื่องทรงเทศนาโปรดพระเจ้าพิมพิสารแล้วก็เสด็จกลุ่มราชครืดเป็นครั้งแรกของพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กยาศาีษะกายแม่น้าขยาทรงเทศนาทิตยปยา ย, ยสูตร คือพระสูตรที่ว่าโดยของร้อนแก่ท่านอนดีตปุราณาชดินทั้งผันรูปจนบรรลุมรรคผลเป็นปรบหันแล้วก็เสด็จประทับอยู่ที่พญาศีษะพอสมควรแล้วก็เสด็จจาริกเดินทางที่จะไปสู่กรุงราชคิลพ์พร้อมด้วยพระภิกษุหมู่ใหญ่จำนวนพันรูป เะเด็จะริกมาโดยลำดับถึงพระนคนรราชคฤห์แล้วทราบว่าโรงกระทบอยู่ใต้ต้นไทรชื่อสุปดิษ์เจดีในสวนตาลหนุม่มเขตพระนคนรราชคฤห์นั้นเออตรงนี้มีประเด็นที่น่าศึกษาอยู่ประเด็นหนึ่งคือลัทธิวันที่เราแปลว่าสวนตาลหนุม่มเวล น, นี้นักปราชญ์เขาก็ถูกเชียงกันดู เพราะว่าโดยหลักฐานเวลาเนี้ยมันมีไม้อย่างหนึ่งเรียกไม้หยัด ท, ที่ถ้าเราดูข่าวประเทศอินเดียเราจะเห็นว่าตำรวดอินเดียถือไม้ตะคดอ่ะยาวเป็นไม้ไผ่แต่มันตันนะครับตำรวจก็หวดแล้วก็เจ็บแรงกันนะแล้วก็ มันก็เป็นไม้เหล่านี้แทนที่จะเป็นตาหนุ่มเนี่ยท่านบอกว่ามันเป็นไม้ไผ่ไม้ไผ่ปรเพท ย, ยัถิเนี่ยแต่ว่าต้นไซชื่อสุประดิ์ก็อยู่ในป่าไผ่เราอาจจะไม่เรียกว่าไผ่ก็ได้นะเอกเรียกว่าม้ยัดิเนี่ยก็เลยก็เลยก็ได้ลัตทียัถิเนี่ยมันอาจเสียงอาจจะเพี้ยนอะไรไปก็ได้ อย่างยาคาอย่างเงี้ยยาคาเนี่ยก็มีการถกเถียงมันอยู่เหมือนกันยากุสะก็ เ, เรียกว่ายากุศะเขาบอกว่าเป็นหญ้าคล้ายๆย า, ๆยาคานั่นแหละแต่ว่า ม, มันมันใบมันเป็นมันแล้วก็หอมมีกปินหอม มันก็เป็นไปได้ที่ว่าพระเจ้าจรับยายาอย่างเนี้ยอยากุศะจากโสตยพราหมณ์แล้วก็ปราชเป็นประบันลางนั่งบนเนี่ยแต่ายาค า, าอย่างนี้มันคันคันะยาคาเนี่ยิงยาคาสดๆแล้วก็น่าจะคันแต่ว่าตายากุศะแล้วตามที่เขาบอกเนี่ยนะก็คงไม่คัน อันนี้ก็เป็นประเด็นนะเป็นประเด็นที่คือบางทีเราไม่ได้ติดต่อกับอินเดียในตอนที่ครูบาอาจารย์ด้งก่อนท่านแปลเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้ศึกษาไม่ได้เจี๊ยบเคียงไม่ได้เทียบเคียงไม่ไไมไไมไรับทางแต่ไม่ใช่ประเด็นอะไรหรอกนะคือจะไปหอวไม้อะไรก็ได้ก็ในป่าก็แล้วกันเพราะถ้าอยู่ในปา่ปาป่าหน้าอย่างนั้นจะเป็นตาหนุ่มหรือตาตาอันเด้เพิ่งปลูก หรือว่าตนตนมายกติก็เหมือนกันพระยาพินิษารจอมเสนามาคดราชได้ทรงสเสด็บข่าวสเสด็จแน่ว่าพระสมาะโกดมสักยบุตรทรงผนวจจากสักยสัสกุลเสด็จจงคลุ่มราชครึ่โดยลำดับประทับอยู่ใต้ต้งใส่ชื่อสุปฏิทะเจดีในส่วนตาลหนุ่มเขตปนครราชครึย คือพระพิมพิสารกับพระพุทธเจ้าเนี่ยเคยพบกันเคยรู้จักกันมาในสมัยที่ตอนพระเจ้าเสด็จออกบวชไปใหม่แล้วก็เสด็จผ่านไปทางพระราชวังของพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารทอดพระเนตรเห็นทางพระแกรมังกรรู้สึกประทับใจมากปุกลิกภาพยิ่งใหญ่ส ง, ง่างามมากก็สงสัยอยากรู้ว่าเป็นนักบวช ประเภทไหนนักบวชเนี่ยเป็นใครมาจากไหนมีความเป็นมาอย่างไงแต่ก็ไม่กล้าให้คนไปมินมนเลยฮะให้คนติดตามไปไปดูซิว่านักบวชคนเนี้ยไปพักอยที่ไหนพระโพธิสัตว์ในขณะนั้นยังไม่เป็นอรหัตเจ้านะเป็นพระโพธิสัตว์เดียก็ไปพักอยู่ที่ภูเขาชื่อปันดาว กล้กุงรัจะคืดนั่นเองพระเจ้าพิมพิสารก็เสด็จไปพบหลังจากพุทธเจ้สนทนาปราศัยกันแล้วเนี่ยก็คงจะรู้ข่าวนะฮะพระชนพรรษาคงจะใกล้ๆกันพระเจ้าพิมพิสารพระพุทธเจ้าพระเจ้าประเสิทธิ์กุศลเนี่พระชนพระเจ้าจันปบพโชนีนะฮะพรรษาหน้าแก่ใกล้ๆกันพระเจ้าพิมพิสารก็ขอร้องไม่ให้เสด็จออกผนวช เ้าถ้าไม่ปรารถนาจะครองกงบิลพัทท่านก็จะให้เป็นจาแบงอังคะหรือมคกนี่ให้ให้เมืองหนึ่งให้พระองค์อยู่ปกครองแต่พระโพธิสัตว์ก็ไม่ยินยอมรับมันเห็นว่าเอาจริงแน่แล้วเลยก็ขอพรห้าประการซึ่งจะกล่าวต่อไปนะครับพระพุทเจ้าพิมพ์ารเองก็คงจะรอคอยเพราะว่าพระพุทธเจ้าหายไปนานนะหายไปตั้งห้าปีหกปีนะ 6ปีกว่าหน่อยได้ทำไปก็คงรอคอยการจัดสรู้อยู่แล้วก็สทงมั่นประเทศไทยนะมั่นประเทศไทยว่าก็คงมีประชาชนดูอะแม้จะไม่ไม่รู้ข่าวคราวอะไรก็ตามถึงถ้าเรามองดูในเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันคล้ายๆกับท่านไม่เห็นจำเป็นจะต้องบันทึกไว้ จะนึกถึงว่าเนี่ยพระเจ้าสุโธธนะพระราชโอรสเสด็จออกพนวดทั้งองค์ไปปล่อยตะล่าเลยได้ยังไงแล้วก็เป็นคนระดับหมาบุรุษที่โหนก็ทำนายไปชัดเจนขนาดนั้นเนี่ยพระเจ้าสุโธธนะก็คงส่งคนมาแล้วก็ทำตัวเป็นชาวบ้านปะปนอยู่ในสถานที่นั้นสรงข่าวรายงานไป ถึงความเป็นไปของพระโพธิจาร์ของพระโพธิสัตว์เนี่ยเพราะถ้าไม่งั้นในวันกรุงกรินละพัฒจะรู้ได้ยังไงเวียนนี้วุจาทํายัางไงทําทยัางไงทํำยังไงเนี่ยพระนางยโสธราพินพาในปฏิบัติตามตลอดนอนกางดินก็นอนกลางดินด้วยทรมานร่างกายก็ทรมานด้วยเนี่ยก็มีคนไปนหลอกว่าพระโพธิสัตว์ตายไปแล้วพระเจ้าสุโธตนะ ก, ก็ไม่เชื่อก็แต่ที่ว่าพระนั้นก็มีการข่าวของทาง่านมีคนของทาง่าน แต่ไม่แสดงตัวให้ปรากฏคือมาทำอาการรักขาดูแลเรื่องความเป็นอยู่แต่ว่าไม่แสดงตัวแต่นั่นเองเพราะว่าจะเป็นการบรบกวนพระโพธิสัตว์นั้นไเ่้าพินพิสารมันเราดูแล้วเนี่ยมันก็น่าจะสงคนติดตามข่าวคราวอยู่รอคอยการจัดสรุ้ของพระโพธิสัตว์เพราะว่าแต่ขอพอเรเอาไว้ว่าถ้าจัดสรุ้แล้วก็ขอให้เสด็จมาโปรดด้วย ดังนั้นกิติศักดิ์อัน ง, งามของปสัมมนาโคโดมโลงนั้นกรจรไปแล้วอย่างนี้ว่าแม้เพระเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคโองค์นั้นทรงเป็นประธานสัตว์ดีสัสุชอบโปยองเองสรงสมบูรณ์วิชาดิจารณะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งทรงเป็นสารทีที่ฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งไปกว่าเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จําแนกทำอันนี้ก็เป็นพระเกียรติคุณที่ลือคือในพระสูตรเนี่ยจะปรากฏพระสูตรข้อความแบบเนี้ยมากโดยเฉพาะแถวทีกายเนี่ยจะปรากฏมากเพราะว่าเป็นพระสูตรขนาดยาวเข่าวพราวเล่าลือเนี่ยจะปากสู่ ป, ป่ากเป็นการเล่าขานสู่กันฟังม่าเป็นตํานานอย่างหนึ่งเนีอยตํานานตั้งแต่อุบัติตั้งแต่พระสูตรมาเดินด้วยพระบาทเดชเจ็ดเก้าเนี่ยเป็นตานานได้แพร่หลายอยู่ในชมพูทวีป ด้วยว่าเราคอยการตัสรดสินข่าวการตัดสิ้จึงจึงบอกว่าพระสัมมาณครดมบุตรสากยบุตรสมพันหัวจากสักยัสกลุลเนี่ยคนไปรู้ข่าวในตอนต้นตอนสมพันวดก็จะทราบว่าเป็นใครข่าวนี้มันจะช่วยประชาสัมพันธ์ประเกติคุณของพระพุทธเจ้าเป็นการล่วงหน้าไว้ให้คนซึ่งอยู่ปลายทางเนี่ย เรับทราบเป็นพื้นฐานเอาไว้เราจึงพบว่าคนเป็นอนมากที่ทราบข่าวพระเจ้าเสด็จไปประทับตรงนั้นตรงนี้แล้วก็มีคนก็ชวนกันมาเฝ้าพระองค์โดยผลก็แตกต่างกันไปนะฮะก็แล้วแต่ว่าใครจะคิดยังไงแต่ว่าการมาเฝ้านั้นก็แสดงให้เห็นว่าไปทราบข่าวพระเกียรติคุณของพระองค์ตามนยาิยะาุตตคุณอย่างที่เราสวดสรรเสริญ น, นี่แหละ วันที่เราสวดสรรเสริญที่จริงเขาก็สันเสริญกันมานานแล้วนะครับบทสวดนี้เรียกว่าไม่รู้สวดส ก, กี่แสนล้านครั้งแล้วนะในโลกนี้คนก็สวดกันเยอะแยะไปหมดเลยแล้วบอกว่าพระองค์ทรงทรําโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพุทธโลกให้แจ้งชัดด้วย ป, ปัญญาอันยิ่งของพระองค์เอง และทรงสอนหมู่สัตว์พร้อมทั้งสัมณะพราหม์เทพและมนุษย์ให้รู้ทรงแสดงธรรมันงามในเบื้องต้นงามในทรามกลางงามในที่สุดทรงประกาศพระอมายจันทรย์พร้อมทั้งอัดทั้งไปยังชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์บริสุทธิ์อันหนึ่งการเห็นพระหัตถ์ทั้งหลายเห็นปา น, นั่งเป็นการดีนี่คือบทสรุปที่น่ารักมากมันไม่ต้องไปคิดแต่มันยุย่หยิมรุงรังพันเตเสียเวลาเปล่า ว่าเิดเกิดมาชาติอย่างนี้พบประหารขนาดนี้เป็นการดีมันเหมือนกับผู้เฒ่านะะผู้เฒ่าอายุร้อยปีเนี่ยอาตมายังภูมิใจอยู่จนทุกวันคือเกิดมาชาติยังเคยกราบผู้เฒ่าอายุร้อยกว่าปีนีสองท่านหลงปู่ที่นคปรปฐมมัสนิหากับหลวงปู่ที่สุพรรณบุรีวัดสวรณภูมิรู้สึกมีใจมากดีใจจนด้กวันเนี่ยนะ นึกถึงได้อยั ง, อยงมองเห็นภาพหลวงปู่อยู่องค์ห น, นึ่งนั่งองค์หนึ่งนอนนะฮะที่นครามาถมนี่นอนเนี่ยองค์พุที่สวรรณสวรรณภูมิเนี่ยยังนั่งนั่งฟังได้ด้วยนะอาตมาปาทกถาอยู่สามสามชั่วโมงกันนั่งฟังได้ตลอดน่าทึ่งมากอายุร้อยสองปีมรณภาพไปแล้วทั้งคู่ อันนี้คือเราเราขนาดนี้เราก็รู้สึกเราดีใจแล้วที่ได้กราบผู้เฒ่าอายุขนาดนั้นคนบางคนเนี่ยเป็นชาวบ้านเนี่ยอายุตั้งร้อยสิบปีรสิเว็ดปีก็มีแต่ว่าคนอื่นก็เล่ามาฟังเราไม่เห็นเองนะฮะคือมันถือว่าเป็นสิริมงคลที่ได้พบคนแก่ขนาดนั้นรุ่นปู่ย่าตายายนะฮะคนปูนปู่ปูนตาปูนย่าปูนยายเนี่ย เราอายุขนาดนี้เราเจอได้เนี่ย ก, ก็เป็นบุญอย่างหนึง่งวันเกิดมาเนี่ยมาพบพระอาหารหันต์ที่มีคุณสมบัติอย่างอิติปิโสปะกวาติว่าเนี่ยแจะชอบใจใจท่านสรุปถ้าสรุปคล้ายๆกันเนะนี่ยแนวความคิดเนี่ยทั้งคิดไปเดียวกันการเห็นพระหันตั้งหลายเห็นป่านนั้นเป็นความดีแม้จะเห็นนะนะก็ถือว่าเป็นความดีแล้วไม่ต้องไปพูดถึงฟังเทศวังธรรมอะไรหรอก หลังจากนั้นพระเจ้าพิมิสารจอมเสนามาคดราชทรงแวดล้อมด้วยพรามเครือบดีชาวมาคด12นาขุด12นาขุดมีแสนสองนะฮะนาขุดหนึ่งเนีเท่ากับมื่หนึ่ง12นาขุดก็เท่าแสนสองอยังนี้ก็เอคนมาได้ยังไงมากมายไกลกองท่านแก้ว่ามันเป็นช่วงที่เขาไปชุมบดี คือประชุมหัวบ้านหัวเมืองทั้งหลายนี่มาประชุมกันพอดีแต่คนในในตัวเมืองด้วยกับคนที่มาจากข้างนอกด้วยเนี่ยมาประชุมกันอยู่พอดีพระเจ้าพิมิสารก็ได้โอกาส ก, าก็ชวนเพราะพระเจ้าพิมิสารมีประสบการณ์เหนือกว่าคนเหล่านั้นคือได้พบเห็นองค์พระโพธิสัตว์มาก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วก็เป็นมาดังกล่าวแล้ว ก็จะเสด็จเข้าพระภาคพระผู้มีพระภาคขั้นถึงจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วประทับนั่งนาที่ควรส่วนขั้นเด่นคือพพิจารณามีสารท่านไม่มีปัญหาท่านมีศรัทธาท่านเชื่อมั่นอยู่แล้วเรียบร้อยนะะแต่ว่าคนที่มากันมากๆเนี่ยอย่างนี้ทุกทีแหละในงานไหนกับงานนั้นนะ่ะจะมีลักษณะอย่างนี้ทุกทีคือสับสน่รู้จะยังไงรู้จะทําตัวยังไงรู้จะวางตัวยังไงเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่า ส่วนพราหมณ์คือบรีชามคธสิบสองนะหูดนั้นแลบางพวกถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วก็นั่งอยู่ที่ควรส่วนข้หนึ่งบางพวกทูลราศัยกับพระผู้มีพระภาคขั้นผ่านการทูลราศัยพอได้เป็นที่บันเทิงเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งบางพวกประคองอัญชลีไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับแล้วก็นั่งนะที่ควรส่วนข้างหนึ่ง บางผู้ประกาศนามและโคดในสํานากของพระพุทธพระภาคตัวนี้แบ่งนิดหน่อยนะฮะเพราะว่าพวกนี้มันถือวันนะการประกาศนามและโคดเพื่อแสดงความยิ่งใหญ่ของตัวเองต่อพระภาคพระพุทธเจ้าโดยไม่ได้คิดนะฮะว่าพระเจ้าเป็นกรรษัตริยนะ์สุริยวงศ์นะฮะสุริยโคดมันก็เหนือกว่าคนโลนี้อยู่แล้วแต่ว่าอาการเหล่าเนี่ยเป็นเป็นอาการเราเจอบ่อย ในประเจริดโดกเวลามีคนมาเฝ้ากันมากๆจะมีลักษณะาอาการอย่างนี้เหมือนกันคือหมายความว่าคนไม่อยู่ในสภาพพร้อมที่จะฟังธรรมพรเจ้าก็ยังไม่ได้แสดงธรรมแล้วก็บางพวกก็นั่งนิ่งนะฮนะหน้าที่ควรส่วนครั้งหนึ่งครั้งนั้นพราหมณ์เครือบดีจามากคดจิตสองนหุูได้มีความดำริว่า ถมหาสมณะประพฤติพรหมจันทรย์ในท่านโอรุเวลากัสะปะหรือว่าท่านโอรุเวลากาสะปะประพฤติภรหมจันทรย์ในมหาสมณะอันนี้คือประเด็นห น, นึ่งคือข้องใจคือท่านโอรุเวลากาสะปะนั้นเป็นที่รู้จักของพวกพราหมณ์พวกเกือบดีชาวมคตเนี่ยนะฮะเป็นที่รู้จักเป็นคณาจารย์เจ้าลทัทธิอยู่ในโอรุเวลาเสนานิคมนะฮะในแพนมคตเนี่ยแต่ว่า พระพุทธเจ้านั้นเป็นคนหนุ่มแล้วเป็นคนหน้าใหม่นะพูดง่ายว่าเขาเองก็กไม่เคยเพ้อเพียนกันมาเลยก็สงสัยว่าใครเป็นลูกศิษย์ใครกันแนะ่ก็บอกว่ามาหาสมณะแต่การเรียกมาหาสมณะนี่ก็แสดงว่าให้ความเคารพนะคือปุกลิกาภาพของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราลองนึกจินตนาการว่าคนคนหนึ่งส ง, ง่างามมากเลยสมบูรณ์โดยมาหาปริศลักษณะสามี่สองประการเนี่ย มันเป็นภาพที่ตะลึงนะตะลึงแล้วก็งงแล้วก็รู้สึกมีตาบะเดชะก่อให้เกิดความเคารพจำกรงเพราะในเรียกคำนี้เราจะลองสังเกตว่าพวกวุกตตากตะปาก็เรียกมาลำพันธพวกพัตตะคีเลยช่ไามเรียกพระบูมีประพาถึงพรกวาในที่นี้ท่านหมายถึงอะไรเราก็ไม่แน่ใจนะ เพราะพระกวาเป็นคําเรียกนักปวดนักพทษนั่นในปัจจุบันนี้เขาก็ยังเรียกกันอยู่แต่ว่าเรียกว่าม า, าสมณะนี่แสดงว่ายกย่องความเป็นใหญ่ของพระพุทธเจา้ามาแต่ก็สงสัยว่าใครประพฤติพรหมจรรย์ในสำแนักใครพ ร, ระพุทธเจ้าประพฤติพรหมจรรย์ในสำแนักก็รู้เวลากัตะปาหรือว่ารูปเวละกัตะปาประพฤติพรหมจรรย์ในสำแนักของพระม า, าสมณะ ดังนั้นพราหมณ์และเครือบดีและพระผู้มีพระภาคทรงทราบตำริดในใจของพราหม์เครือบดีจากมคดกสิบสองนหุดนั้นโดยประทัยของพระองค์แต่จา ก, กท่านอุรุเวลากัะจละปะด้วยประกาถาดังนี้ว่าตุก่อนท่านผู้อยู่ในอุรุเวลามานานท่านเคยเป็นอาจารย์สั่งสอนหมู่ชนผู้พผอมเพราะกำบังพราะท่านเน้นเหตุอะไรจึงยอมรับเพลิงใี่แล้ว ผูกษัตริย์เราถามในความนี้กับท่านท่านรับเพลงที่บูชาเสียทําไมเราท่านครูเวลากษัตระก็กราบทูลว่ายันทั้งหลายกล่าวยกย่องรูปเสียงและรสที่น่าปรารถนาและสตรีทั้งหลายข้าพระพุทธเจ้ารู้ว่านั่นเป็นมนชินใจมนทินในอุปธิทั้งหลายแล้วเพราะเหตุนั้นจึงไม่ยินดีในการเส้นสวงในการบูชา ประการแรกก็คือว่ายันเนี่ยมันงองไปในที่เพื่อตอบสนองสิ่งที่ดีงามนะฮะคือวัตถุกรรมนั่นเองมุ่งไปสู่วัตถุกรรมคือให้ตอบสนองสิ่งที่ดีงามในแก่รูปเสียงกลิ่นรสต่งางๆเนี่ยแล้วก็สตรีด้วยนะหมายถึงสตรีด้วยอันนี้ก็ยังไม่เคยพบรายละเอียดถึงตะบะวิธีกรรมนอกจากว่าเคยพบในเรื่องของท่านอาักขิทัโบรูิตแต่ก็ไม่พิสดารนะ อภิษฎานะละุลัติของเชื ด, ดินจริงๆเนี่ยคืออะไรแล้วทําไมจึงปรารถนาสตรีแล้วทําไมจึงต้องไปทรมานร่างกายก็เป็นบนทีในอุปธิทั้งปวงคําว่าอุปธินั้นอาจจะหมายถึงกิเลส ก, ก็ได้อาจจะหมายถึงขันก็ได้อาจจะหมายถึงกรรมก็ได้หมายถึงสังขารก็ได้นะเอ่อก็เป็นทั้งหมดนั่นแหละหมายความว่าอุปธิก็คือสมุทยัยหรือ ทุกนะฮะก็แล้วแต่จะเน้นในส่วนทุกหรืเนในส่วนสมไทยก็ตามแต่ว่านั่นคืออุปจิขอยกนั้นจึงไม่ยินดีในการเส้นสวงการบูชาเพรา ะ, ะรูปแบบพิธิกรรมทั้งหลายนี่ก็ทําให้เราเห็นในยะของหน้าที่เจดินเนี่ยว่ามีการเส้นสวงบูชาด้วยมุ่งหมายรูปเสียงกิริยโภตพระที่เป็นนิจแล้วก็สตรีทั้งหลาย เป็นการเพิ่งกิเลสสูปะชีขึ้นมาภายในใจสร้างสังขารูปะทีขึ้นมาสร้างขันขธูปะทีที่มันประนีหิตกันไปนะตามความต้องการของท่านนะ่ะหมายความมาสร้างสังขารที่ประนีกันไปเพื่อได้รูปเสียงกดีลดผลภัพที่น่าคลายนะ่าปรานาน่าพอใจพุทธเจ้าตรีมรรสสั่งว่า กสปะก็ใจของท่านไม่ยินดีแล้วในอารมณ์คือรูปเสียงและรสเหล่านั้นกสปะกม่เป็นฉันนั้นใจของท่านยินดีในสิ่งใดเล่าในเทวโลกหรือในมนุษยโลกท่านจงบอกเ้่านั้นแกเราพระอุ้พระุเวลากสปะก็กลาบทูลว่าข้ารูตรเย้าได้เห็นทางนสงบไม่มีอุปชิ ไม่มีกังวลไม่ติดอยู่ในการมาพบไม่มีภาระเป็นอย่างอืน่นไม่ใช่ทาที่ผู้อื่นแนะให้บรรลุเพราะฉะนั้นจึงไม่ยินดีในการเส้นส่วนการบูชานี่ประเด็นของผลที่ท่านยกมานี่หลายประเด็นนะประเด็นแรกก็คือเป็นทางสงบสงบจากเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์อย่างที่ทรงแสดงในอติตตะปลายาสูตรนั่นแหละ เพิกิเลสก็คือราคาตัวสมัมโมหะเพิงภูปก็คือเกิดแก่เกิดแก่ตายโศประเวทลำพันธ์ความทุกข์ความเาจ็บใจความกบคันใจแล้วก็ไม่มีอุปทิคือไม่มีตัณหาไม่มีสังขารไม่มีกิเลสไม่มีกรรมนะกรรมูปทิก็คืออุปทิคือกรรมสังขารูปทิอุปทิคือสังขารกิเลสูปทิอุปทิคคือกิเลส แล้วขันธูปะที่ปะติคือขันเนี่ยไม่มีขันที่เป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถรือไม่แต่ว่าส่วนมีบาขันยังอยู่นั่นแหละฮรูปเสียงกลิ่นรสได้ไม่ได้หรืด อ, ดอรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยก็ยังอยู่นั่นแหละไม่มีเครื่องกังวลคือไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้กังวลตามปกติแล้วคนเราที่มีใจเป็นกินเลสมีมีกิเลสอยู่ภายในใจจะมีความกังวล ด้วยความรักบ้างด้วยความแข็งบ้างด้วยความกลัวบ้างด้วยความบาดระแวงในต้นบ้างเนี่ยแต่ว่าท่านที่เข้าถึงความจริงเหล่านี้จะไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกังวลไม่ว่าในการใดๆก็ตามแล้วก็ไม่ติดอยู่ในการมรรค ก็มองย้อนกลับไปสู่ลัที่ของชนินอนีทีหนึ่งว่าแสดงว่าชดดนินมุ่งไปสู่กามเมรุเพราะต้องการรูปรสกลิ่นเสียงที่ประณีตแล้วก็สตรีทั้งหลายก็คงจะมุ่งไปสู่ความเป็นเทพบระบุเทพทิดา ม, มีสาวสรรกำลังในบริวารอ้อมลอ้อมเป็นจำนวนมากหรือยังไงเนี่ยจึงได้มีอาการอย่างนั้น ไม่มีภาวะเป็นอย่างอื่นคือไม่มีการแปลผันเป็นนิจจังเป็นสุขขังและก็เป็นอนัตตานิพพานนะฮะเป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอนัตเป็นอนัตตาไม่ใช่ทำที่ผู้อื่นแนะนําให้บรรลุหมายความว่าเป็นปัจจิตังไปดูตบงโยหิเป็นยูชนรู้ได้เฉพาะตนเพรศนั้นเึงไม่ยินดีในการเส้นส่วนในการบูชานี้ก็เป็นการกลับ มังคมทูลของพระอรุเวลากาจปเป็นการไปรเสด็จรัธิธรรมเนียมต่างๆที่ท่านเคยยึดถือประพฤติปฏิบัติกันมาว่าลายสาระแก่นสารไม่ควรแกการยึดถือแต่ประการใดทุกฟังทั้งหลายแต่หลวงพโอทิยาในวันนี้ข อ, อยุติไว้โดยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญว่อ ง, งามไปบูรใาธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี